ตอนที่หมอบทงเกียติยศเพื่อขอความช่วยเหลือหวังเกว้าฮาร์แสดงท่าทีฮึดสู้ส่วนซูมานอินและฉินเสี่ยวยาวก็แซงทําเป็นซาบซึ้งใจอย่างยิ่งน้องสะพายจะแบบนี้มันจะลําบากเจ้าเกินไปหรือเปล่าซูมานอินใช้กลยุทธ์ถอยเพื่อรุกหลิว อ, อวีหงคนนั้นน่ารับมือไม่ง่ายเลยนะนั่นมันเงินของเว่ยตงฆ่าที่เป็นอาสพายรองไปทวงคืนน่นมันถูกต้องตามทํานองครองทําทีาท่สุดแล้วอาสะพายรองท่านคืออาสะพายรองที่แสนดีของฉินเสี่ยวย่วยิจริงๆค่ะ ชินเสี่ยวเยเวน้ำตาคลอเบ้าคลางเข้าไปประคองแขนของหวังเกวฮาร์ทำให้หวังเกวฮารู้สึกถึงความยุติธรรมที่เปี่ยมล้นขึ้นมาทันทีวางใจเธอเสี้ยวเยเวถ้าไม่ได้หนึ่งพันอย่างน้อยแปดร้อยหรือร้อยหนึ่งข้าต้องเอามาให้เจ้าได้แน่เรื่องถ้วยชามเดี๋ยวหนูกับแม่เล็กจัด ก, การเองค่าอสาสไพรรองฝากท่านด้วยนะคะข้าจะรีบปรับบ้านไปขี่จักรยานเดี๋ยวนี้แหละหวังเกวฮารีบร้อนเดินออกจากประตูบ้านไปทันที สองเพื่อนสีต่างวัยยืนอยู่หน้าประตูมองตามแผ่นหลังที่ดูฮึกเหิมของหวังเกื้ยฮาแล้วเริ่มสุบสิบกันแม่เล็กเพื่อนสาวท่านว่านางจะไปทวงมาได้เท่าไหร่ซูมานอินชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วหนึ่งพันเหรอนิ้วนั้นสายไปมาหนึ่งร้อยซูมานอินถอนหายใจไม่ได้เลยสักแดงเดียวชิ้นเสี่ยวเยว่เชงักไปไม่มั่งหวังเกื้อฮากับเต๋อซุ่นดูท่าทางมีไหวพริจะตาย แล้วอย่างไรล่ะครอบครัวเดิมของเจ้าผ่านเงินไปจนเกลี้ยงแล้วต่อให้หรื้อบ้านทิ้งพวกเขาก็หาเงินมาให้ไม่ได้แม้แต่หยวนเดียวหรอกยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังมีน้องชายจอมสเพนอยู่อีกคนชินเสี่ยวเยเว่เห็นภาพน้องชายคนนั้นจากความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมหน้าตาเหมือนตะกั่ตนตําข้าวไม่มีผิดทั้งที่เกล็ดทั้งตะกระแถมยังรักสนุกเจ้าของร่างเดิมนี่ช่างอาภ พ, พจริงๆไม่ใช่สิเป็นานางต่างหากที่อาภ พ, พเอาเถอะเลิกคิดได้แล้วพวกเราต้องไปจัดการธุระสาคัญกันต่อ ซูมานอินดึงแขนชินเสียย่ยวยาวไปเปลี่ยนชุดซาพวกเราต้องออกเดินทางกันแล้วเอ๋จะไปไหนคะจะไปไหนดีอีกล่ะก็ไปที่ที่สามารถแก้ปัญหาความลําบากของพวกเราได้นะสิโรงงานทอผ้าของรัฐฟางเชียนประธานสหภาพแรงงานเขียนร่างบทความเรื่องผู้นําโรงงานให้ความสําคัญและห่วงใยครอบครัวพนักงานเสร็จสิ้นเขาตรวจสอบซ้ําไปมาสองรอบเมื่อเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรจึงลุกขึ้นเพื่อจะไปที่ห้องทํางานของผู้อํานวยการโรงงาน พอเดินมาถึงทางขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงโต้เถียงดังมาจากป้อมยามริมหน้าต่างไม่มีหนังสือแนะนําตัวไม่มีบัตรพนักงานเข้าไปไม่ได้เด็กขาดสหายตัวน้อยนี่ไม่ใช่บัตรพนักงานของเตอ๋อชางหรอกหรือแต่นั่นไม่ใช่ของท่านนี่นาแต่ข้าเป็นภรรยาเขาณดูสินีทะเบียนสมรสซูม่านอิงก็คือข้าเองแล้วใครจะพิสูจน์ได้ว่าท่านคือสูม่านอินจริงๆบัตรประจําตัวประชาชนในบัตรประจําตัวประชาชนของข้าอยู่นี่ ซูมานอินคิดว่าแบบนี้คงผ่านไปได้เสียทีแต่ผลปรากฏว่าสหายตัวน้อยคนนั้นกลับยังคงดื้อดึงไม่เลิกให้เตอชางมารับท่านเถอะถึงจะเป็นครอบครัวพนักงานก็ใช่ว่าจะเข้าโรงงานตามอำเภอใจได้ซูมานอินยอมใจจริงๆกำลังจะระเบิดอารมณ์ออกมาแต่นางก็เหลือบไปเห็นร่างที่คุ้นเคยเดินผ่านมาพอดีท่านประธานฟังข้าเองข้าภรรยาของเตอชาง ฟางเชียนพาทั้งสองคนเข้าไปในอาคารสำนักงานชินเสี่ยวเ ย, ย่ประคองแขนซูม่านอินพลางมองไปรอบๆ อ, อาคารสำนักงานที่ดูเก่าแก่ในแววตาเต็มไปด้วยความโหยหาต่อการเวลาที่ผ่านพ้นแต่ในสายตาของฟางเชียนเข้ากลับมองว่านั่นคือความเลื่อมใสศรัทธาที่พวกนางมีต่อโรงงานทอผ้าฟางเชียนขอประตูห้องผู้อํานวยการโรงงานเมื่อได้รับคําตอบว่าเข้ามาได้จึงผลักประตูเปิดออกแล้วนําทั้งสองคนเข้าไป ผู้อำนวยการอย่างนี่คือภรรยาและลูกสะใภ้ของเตอ๋อชางครับพวกนางบอกว่ามีเรื่องจะมารายงานท่านหยางเหวินเจวินเห็นว่าเป็นสองแม่สามีลูกสะใภ้สู่ม่านอินใจก็รู้สึกไม่สบอารมณ์เล็กน้อยเรื่องที่พวกนางเอาชื่อโรงงานไปอ้างเมื่อเช้านี้เขายังไม่ได้คิดบัญชีเลยผลปรากฏว่ายังไม่ทันค่ามันพวกนางก็มาหาถึงที่อีกแล้วเห็นโรงงานทอผ้าเป็นแกะให้ถอนขนหรือไงถึงได้จ้องจะเอาเปรียบอยู่เรื่อย แต่เมื่อเห็นผ้าสีดําไหมอะไรที่ผูกอยู่บนแขนของทั้งสองคนเขาก็ยังคงรักษามาตรของผู้นําเอาไว้และให้การต้อนรับอย่างมีมารยาทนั่งสีรีบนั่งเถอะฟางเชียนไปรินน้าชาร้อนมาหน่อยครับผู้อํานวยการฟางเชียนหยิบกระติกน้ําร้อนบนพื้นขึ้นมาวางไว้บนตู้ด้านข้างเปิดถ้วยชาสองใบแล้วรินน้ําร้อนใส่ลงไปผู้อํานวยการอย่างไม่ต้องลําบากหรอกค่ะซูมานอินเอ่อยด้วยสีหน้าจริงใจวันนี้ฉันกับเสี่ยวเยเว่ตั้งใจมาเพื่อสแสดงความขอบคุณจริงๆ พูดจบนางก็หยิบธงเกียรติยศสีแดงผืนหนึ่งออกมาจากถุงปุยูเรียที่พกติดตัวมาด้วยฉันเองก็ไม่รู้จะหาอะไรมามอบให้ดีเลยทำธงเกียรติยศผืนนี้ขึ้นมาหวังว่าผู้อํานวยการอย่างจะรับไว้ด้วยความยินดีนะเจ้ากะเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายตั้งใจมามอบธงเกียรติยศอย่างเวนจวินก็ฉีกยิ้มกว้างออกมาโดยไม่รู้ตัวฟางเชียนวังผู้ชาที่รินเสร็จแล้วลงบนโต๊ะก่อนจะขยับเข้ามาดูเนื้อหาบนธงเกียรติยศผืนนี้ด้วยคน ธงเกียรติยศที่สู่มานอินนามานั้นมีขนาดใหญ่มากบนผ้ากำมะหยี่สีแดงสดมีตัวอักษรสีทองอร่ามสิองตัวเขียนไม่ว่าห่วงใหญ่ครอบครัวพนักงานไ อ, อุ่นซึ่งถึงหมื่นครัวเรือนดีเขียนได้ดีมากยางเหวนจะวิ้นรับธงเกียรติยศผืนนั้นมาด้วยความปรีดาพลิกดูซ้ายขวาหน้าหลังด้วยความชื่นชมยิ่งนักชิ้นเสียวเยเวที่มองดูเหตุการณ์อยู่ด้านข้างถึงกับมุมปากกระตุกพยายามกลั้นหัวเราะ อ, อย่างสุดความสามารถรีบนั่งสี่ยืนอยู่ทำไมกันฟังเชียนชาลินเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฟางเชียนรับธงเกียรติยศมาอย่างรู้ความผู้อำนวยการครับธงผืนนี้เอาไปแขวนไว้ที่สโมสรนักงานของเราดีไหมครับหยางเหวินจวินพยักหน้ายอย่างพอใจไปเถอะฟางเชียนถือธงเกียรติยศเดินจากไปด้วยความยินดีเขาตั้งใจจะไปเขียนขยายความในร่างบทความของเขาเพิ่มโดยเฉพาะประโยคบนทงผืนนี้เขาต้องเขียนลงไปให้ได้ ซูมานอินและฉินเสี่ยวเยเว่นั่งลงบนโซฟาหนังเทียมพางจิบน้ำชาและกวาดสายตามองไปรอบๆห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงงานผู้อำนวยการหยางช่างมือสะอาดจริงๆเข้าห้องทำงานก็ดูเรียบง่ายเพียงเท่านี้ซูมานอินเอ่ยชมจากใจจริงทำให้หยางเวนจวินรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากล้วนเป็นทรัพย์สินของรัฐอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดว่าแต่ทางบ้านสามีของเธอไม่ได้มาหาเรื่องอีกใช่ไหมซูมานอินสายหนะ้า มีโรงงานทอผ้าและท่านเป็นที่พึ่งพวกเขาไม่กล้ามาอีกแล้วค่ะเพียงแต่ว่ายางเวนจะวิ่งเดาได้ทันทีว่าสูมานอินต้องมีเรื่องจะขอร้องแน่นอนทว่าธงเกียรติยศผืนนั้นช่างถูกใจเขานักต่อให้นางจะขอเรื่องใหญ่โตเพียงใดเขาก็จะพยายามทำให้สำเร็จสเสบียงที่บ้านใกล้จะหมดแล้วแต่พวกเราไม่มีคูปองแล้วค่ะชินเสียวยาวถึงได้เข้าใจว่าเพื่อนรักของนางตั้งใจมาขอบินทบาทนี่เอง ในใจอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเพื่อนรักอีกครั้งที่เข้าใจบริบทของยุคสมัยนี้อย่างทะลุ ป, ปรุโปรงนางเกือบลืมไปแล้วว่านี่คือยุคที่ต้องใช้คูปองแลกทุกอย่างเรื่องนี้นี่เองง่ายมากยางเหวนจะวิ่งหยิบคูปองอาหารปึกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าอย่างใจป้ามปกติฉันกินข้าวที่โรงงานคูปองอาหารพวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเธอเอาไปก่อนเถอะซูมานอินรีโ บ, บกมือปฏิเสธไม่ค่อยจะทําแบบนั้นได้อย่างไรครอบครัวของท่านก็ต้องใช้นะคะรับไปเถอะ ยังเหวินจะวิ่งยัดคูปองอาหารใส่มือซูมานอินโดยตรงแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกซูมานอิงกำกคูปองอาหารไม่กี่ใบนั้นไว้แน่นดวงตาเริ่มแดงกำ่ำผู้อํานวยการอย่างท่านเป็นผู้นําที่ดีจริงๆค้าชิ้นเสี้ยวเย่เหลือบมองแวบหนึ่งในใจคิดว่าคูปองก็มีอยู่ไม่กี่ใบเองนี่นาดังนั้นนางจึงแซงทําเป็นซึ้งใจจนร้องให้ออกมาเช่นกันทั้งประธานฟางและผู้อํานวยการอย่างต่างก็ช่วยพวกเราพนักงานคนอื่นๆก็คงช่วยคุณพ่อไว้ไม่น้อยเหมือนกันคุณแม่ค้าโรงงานของเราช่างมีน้ําใจและอบอุ่นจริงๆคะ ซูมานอินพยักหน้าไม่หยุดผู้อํานวยการหยางวังใจได้นะคะเดือนหน้าพอพวกเราได้รับคูปองอาหารแล้วจะรีบนํามาคืนท่านแน่นอนคะ่ะในตอนนั้นเองสมองของหยางเหมืนจะวิ่งราวกับมีแสงสว่างวาบขึ้นมาจริงด้วยเขาสามารถจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันบริจาคเงินได้นี่นา น, นอกจากจะแสดงถึงความมีน้ําใจของชาวโรงงานทอผ้าแล้วยังช่วยสร้างความสามัคคีได้อีกด้วยทั้งสองท่านรอสักครู่นะฉันขอออกไปข้างนอกประเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะห้ามไปเด็ดขาด หลังจากผู้อำนวยการอย่างรีบร้อนจากไปซูมานอิงก็หยิ่แก้มชินเสี่ยวเยเว่เบาเจ้านี่นะร้ายเงียบจริงๆเธอก็เหมือนกันนั่นแหละชินเสี่ยวเยว่สวนกลับทว่าในใจกลับรู้สึกหวนใจเล็กน้อยหากผู้อำนวยการอย่างรู้ว่าธงเกียรติยศที่เขาประครบประงมราวกับสมบัตินั้นสั่งทำ ม, มาจากร้านขายชุดอาบศพเขาจะมาคิดบัญชีกับพวกนางไหมนะ